บุกทูสิบสองทอรเมติเติเครื่องดื่มซาสเบซาสมเลบิมลบผมดื่มชาครับเมชัยสุขมเมชัย มผมดื่มกาแฟครับเมาว ส, สวสมเมาว ส, สวสมผมดื่มน้ำแร่ครับเมมินเนอรลัลรลวสมเมมินเนอรลัลรลวสฟมคุณดื่มชาใส่มะนาวไหมครับ เช่นชาไส์ลีโมนิทสวั่ามัามามคุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมครับเช่นอาวสชาคริดสวช่าคมคุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมครับอินุลนทสสนุลัล ส, สวมัม มีงานเลี้ยงที่นี่อักเซมียคนกำลังดื่มแชมเปญคนสวัคาลคิแชมเปนอุรสวัมสคนกำลังดื่มไวน์และเบียร์คาลคิรูนอสตาลูตสวัมสิ Da, uts, คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับ Swamshen alcohols. Sw alcohol คุณดื่มวิสกี้ไหมครับ Swamshen whiskeys. Sw คุณดื่มโค้กใส่เหล้ารำไหมครับ Swamshen colasromit Swamshen colasromit ผมไม่ชอบแชมเปญมร์นีวชนู ร, ม ร, มมรผมไม่ชอบไวน์ ม่อาร์มิกวาร์สจวินม่อาร์มิวาร์สผมไม่ชอบเบียม่อาร์มิกวาร์สลูดิมอาร์มิวาร์สลูดิเด็กอ่อนชอบดื่มนมท็อตโต้เสอุกวา ร, ร์รททาสอิรเซท็โต้เสอุกวาร์ส เเด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้คาคาาาลผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรฟฟฟุต Portochlis da k r e i p u t i s Cveni